ข้อที่48ในอดีตการพระโพธิสัตว์นามว่าสุเนศเป็นศาสดาของคณะทำลัทธิดังท่าเป็นที่อย่างลงสู่สุขติได้เป็นผู้ปราศ จ, จากความกำหนัดในการมทั้งหลายโดยอำนาจแห่งวิขำพนะประหารที่พระบรมศา ส, สดาทรงหมายถึงจึงตรัสไว้ในสัตตสุริยสูตรในสัตตะกานิบาท อังคุตรณนิกายว่าภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลครูสุเนศอบรมเมตตาจิตตลอด7ปีครั้นอบรมเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วจึงไม่มาสู่โลกนี้อีกสิ้นเจ็สังวัตตมีวัติกับภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อโลกป ร, รายลยู่ครูสุเนตนั้นเป็นผู้เข้าถึงอาภัสรพรหมโลก เมื่อโลกเจริญอยู่เข้าถึงพรหมมิมาณอันว่างบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเมตจิตตังภาเวตวาความว่าครั้นอบรมจิตประกอบด้วยเมตตาอันสหรัตตะด้วยติกชานและจตุก ะ, กะชานทำให้ประนีตแล้วก็ในบททั้งสองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาธิด้วยสัพ์คือจิต เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าครั้นอย่างเมตตาสมาธิคือเมตตาพรหมิหารให้เกิดขึ้นแล้วและให้เจริญแล้วสองบทว่าสัตตะสังวัตตะมิวัตตะกเปได้แก่ตลอดเจ็ดมหากับแม้กับอันตั้งอยู่ในฝ่ายเสื่อมและกับอันตั้งอยู่ในฝ่ายเจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระบุด้วยสังวัตวิวัตศัสั์นั่นแหลสองบทว่าอิมังโลกังได้แก่สู่กามโลกบทว่าสังวัตามาเนสุทังความว่าเมื่อโลกประไลยคือถูกไฟเผาผลาญได้แก่โอดวาอยู่ก็คำว่าสุทังเป็นเพียงนิบาตบทว่าโลเกได้แก่ เมื่อกับบทว่าอาพัสระรูปะโคความว่าครูสุเนธเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาพัสระ้วยอำนาจการถือปฏิสนธิในพรหมโลกชั้นอาพัสระนั้นกับที่วัดด้วยไฟพระพุทธองค์ทรงสแสดงด้วยคํานั้นบทว่าวิวัตตมานีได้แก่ํารงอยู่คือเกิดอยู่บทว่าสุญญ์ยังได้แก่ ชื่อว่าว่าเหตุไม่มีสัตว์อะไรๆบังเกิดในโลกนั้นอธิบายว่าท่านสุเนศอุบัตคือเข้าถึงพรหมวิมานกล่าวคือภูมิแห่งปฐมฌานที่บังเกิดแล้วแต่ต้นด้วยอำนาจการถือปฏิสนธิได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์แม้มีปกติได้สมาบัติแปดถึงอย่างนั้นก็ยังตรวจ ดูประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์และการบำเพ็ญบารมีของตนยังความรักใคร่ให้เกิดขึ้นในภูมิแห่งชาญทั้งสองเหล่านั้นนั่นแหลท่องเที่ยวไปมาด้วยอำนาจเมตตาพรหมวิหารก็ครูสุเนศได้มีสาวกหลายร้อยสาวกทั้งหมดเหล่านั้นฟังเทศนาของพระโพธิสัตว์ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านได้เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้ว ก็บรรดาสาวกเหล่านั้นบางพวกได้เข้าถึงปรมโลกบางพวกได้เข้าถึงฉากกามาพจรสวรรค์บางพวกได้เข้าถึงความเป็นัติยมหาศาลพระมหาศาลและครืหขับดีมหาศาลดังนี้แลเรื่องครูสุนเนตพึงตรวจดูในปุญญาพานณสูตรในสตกะนิบาตอังคุตรณนิกาย